วัดเป็นที่ฝึกตนฝึกกิริยากายให้เป็นไปตามศีลธรรมฝึกกิริยาวาจาคำพูดให้เป็นไปตามหลักของศีลของธรรมฝึกจิตให้สงบภาวนาให้สงบ พิจารณาให้เกิดปัญญาสรุปลงแล้วก็คือวัดเป็นที่ทำให้เกิดบุญเป็นบุญยะสถานวัดเป็นบุญยะสถานเป็นที่เราอยู่ปฏิบัติธรรมท่องบนสวดมนต์ภาวนา ท่องบนบนท่องท่องบนบนท่องท่องมณ์สวดมนณ์ถ้าเราไม่ท่องมันไม่ได้สวดดอกไอ้แค่เราท่องเมื่อกี้ไอ้แค่เราสวดเมื่อกี้ถ้าเราไม่ท่องมันก็ไม่ได้สวดท่องบนสวดนมณน์ภาวนารักษาปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติ ที่ครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝังเอาไว้นี่ลวนจะเป็นกิริยาการที่ทําให้เกิดบุญบุญแปลว่าความดีร่างกายดีไปตามหลักของศีลของธรรมไม่ประพฤติล่วงเกินทางกายกายกรรมวาจาเป็นไปตามหลักของศีลของธรรมไม่ประพฤติร่วงเกิน หลักของศีลของธรรมจิตใจบำเพ็ญภาวนาให้ใจสงบใจสงบนี่มีความสุขใจสงบมีพลังใจสงบมีความสุขใจสงบคือกิเลสสงบกิเลสสงบทำให้ใจสงบถ้ากิเลสไม่สงบ มันแย่จิตของเราทำให้จิตของเราไม่ได้รับความสงบเราฟังอย่างนี้เราแยกแยะออกได้สองอย่างว่าในใจของเราเนะี่มีกิเลสกิเลสกิเลสตัวนี้แหละมันพาเราหลงผิดเราหลงทาตามกิเลสทำให้เราเข้าใจผิดหลงผิดเป็นวิชชาทิฏฐิรวมไปถึงความคิดผิด เห็นผิดสำคัญผิดยึดผิดถือผิดเพราะเข้าใจผิดนี่เป็นเรื่องของกิเลสจิตเราสงบเพราะกิเลสสงบจิตเราไม่สงบเพราะกิเลสมันใหญ่จิตของเราไม่สงบเราย้อนมาที่จิตของเราจิตคือผู้รู้ทุกคนมีผู้รู้ด้วยกันทุกคนผู้รู้คือจิตจิตคือผู้รู้จิตคือทารู้ ถ้าเราไม่เคยทำพึงรทำพันท่องบนส่วนมนภาวนาแล้วเราจะไม่รู้เลยครับว่าอ่าร่างกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราหากเรามาเริ่มหัดภาวนาเราจะรู้ว่ากายส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งร่างกายก็อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละกิริยากายกิริยาวาจาคำพูดคำพูดก็มาจาก แสดงความนึกคิดของใจกิริยาขับเคลื่อนไหวก็มาจากกิริยาขับเคลื่อนของใจกิริยากายก็ตามกิริยาวาจาก็ตามเป็นกิริยาของรูปกายเป็นรูปธปรรมวาจาเป็นรูปธปรรมนามธรรมาก็คือจิตถ้าเราจะเทียบรูปธรรมกับรูปธรรมคือกายกับวาจานี่เหมือนกับรถ จิตเหมือนกับคนขับรถจิตเหมือนคนขับรถในกายของเราในตัวของเราเนี่ยมีกายแล้วก็มีใจใจกับจิตก็อันเดียวกันนั่นแหละใจเป็นภาษาไทยไทยไทยสะไอจอจานใจเป็นภาษาไทยจิตเป็นภาษาบาลีจิตตะจิตตังหรือมโนมณนะมโนนี่ยแปลว่าธาตุน้อมธาตุรู้ ธาตุรู้กับจิตกับวิญญาณนาธาตุนี่อันเดียวกันกับใจนี่อันเดียวกันรวมลงแล้วก็คือธาตุธาตุรู้ธาตุรู้มีหน้าที่รู้เป็นคนคอยขับเคลื่อนกายขับเคลื่อนวิาจาเหมือนกับคนขับรถตังหากตัวรถตังหาก เวลาเราจอดรถทิ้งไว้เจ้าของลงไปไหนก็ได้เวลาเรานอนหลับจิตใจของเราเนี่ยล่องลอยไปไหนก็ได้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีขีดขั้นจากัดแต่ไปแล้วมันก็ต้องกลับมาเพราะที่อยู่ของมันก็คือกายร่างกายเป็นถ้ำเป็นเรือนเป็นถ้ำเป็นคูหา เป็นที่อยู่ของใจร่างกายเป็นผลิผลมาจากใจเหตุปัจจัยของร่างกายพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่ามีส่วนประกอบมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ร่างกายนะที่เป็นรูปรธรรมเนี่ย ธาตุดินแข็งๆในกายของเราท่าเรียกว่าธาตุดินดินข้างในกับดินข้างนอกนี่เหมือนกันลักษณะที่เหมือนกันของมันก็คือมันแข็งสิ่งที่มีลักษณะแข็งๆในกายของเราท้าเรียกว่าธาตุดินเช่นอย่างกระดูกเนี้ยผมขนนะเล็บผมขนเล็บฟันอัติกระดูกเนี้ยที่จริงฟันถ้าเรียกเราเรียกตามหลัก อซาบลีฟันก็คือกระดูกนั่นแหละกระดูกก็คือฟันฟันก็คือกระดูกอัฐิกระดูกธาตุดินธาตุน้ำทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินธาตุน้นําก็คือเ อ, อืบอาบซึมซาบน้ําเลือดน้ําเหงื่อน้ําลายน้ำโมูกน้ําพุธจธละปัสสาวะมันเ อ, อืบอาบซึมซาบ เป็นส่วนประกอบให้ร่างกายนี่อ่อนนิ่มน้ำเลือดนี่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองน้ำโหมกน้ำหูน้ำตาน้ำลายน้ำเลือดเนี่ยเราดูเราพูดอย่างนี้เราก็ดูไปที่ร่างกายของเรานี่ฐานน้ำมันซึมซับเข้าไปในกายทําให้ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ย ไม่คงที่อยู่ก็เดิมได้เพราะมันมีมันมีสายลำเลียงมีท่อลำเลียงก็คื อ, คอน้ำนี่แหละอาหารต่างๆที่ไปเลี้ยงรูปประธรรมของเราก็คือไปเลี้ยงไปเลี้ยงทากดินของเราก็กคือน้ำน้ำมันเป็นตัวละลายอาหารทุกอย่าง ในร่างกายของเราแล้วมันส่งไปหล่อเลี้ยงมีโรงงานใหญ่ที่ไม่เคยหยุดการผลิตเลยก็คือหัวใจในร่างกายของเราหัวใจมันสูบฉีดเลือดนะอาหารที่เรารับทานเข้าไปของเคาวของหวานของมันของเค็มข้าวปลาอาหารมันหวานมันเค็มที่เรารับทานอาหารเข้าไปเนี่ยอันนี้คือแร่ธาตุแร่ธาตุของดินของน้ํา รับฐานเข้าไปแล้วมันไปหล่อเลี้ยงไม่พมิไปเพิ่มเติมทําให้ส่วนนั้นเอเต็มเต็มทําให้ส่วนนี้เต็มส่วนนั้นบกพร่องก็ทําให้เต็มตื้นขึ้นมาส่วนนี้บกพร่องก็ทําให้เต็มตื้นขึ้นมาเพิ่มกําลังวังช า, เ, าเพิ่มความสุขแล้วก็เพิ่มไวนี่คือร่างกายร่างกายร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ํา จากนั้นแล้วก็มียังมีธาตุลมอีกธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราดูสิและในตัวของเราเนี่ยมันเปรนปรนเปลอไปด้วยลมนอกจากธาตุลมแล้วก็ยังมีธาตุไฟธาตุไฟก็คืออบอุ่นอบอุ่นในกายของเรานมันอุ่นเรามาแตะหน้าผาระแตะ เ, เราแตะที่รักแร้เนี่ยมันมีธาตุไฟปรากฏได้ชัด แต่หน้าผากธาตุไฟปรากฏได้ชัดไฟนี้ก็เท่าว่ามันมาอุ่นเอาไว้ดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟข้างนอกมีไหมดินข้างนอกมีน้ําข้างนอกมีลมข้างนอกมีไฟข้างนอกมีดินน้ําลมไฟข้างนอกแต่ในร่างกายของคนเรานะั้นดินน้ําลมไฟมันมาเกาะกลุ่มกันได้ยังไงมันมาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจของกรรมกรรมมันมาจากไหน กรรมมาจากใจใจของเราไปเกิดเป็นอะไรมันก็ไปด้วยอำนาจของกรรมไปเกิดเป็นสัตว์ก็ไปด้วยอำนาจของกรรมมาเกิดเป็นคนก็มาด้วยอำนาจของกรรมไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปด้วยอำนาจของกรรมไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นพระอินทร์พระพรหมอยู่บนสวรรค์ก็ไปด้วยอำนาจของกรรมกรรมตัวนี้แหละมาควบคุมธาตุดินน้าลมไฟของเรา ให้เป็นไปตามภาวะสภาวะความเป็นคนความเป็นมนุษย์เราได้ภาวะมาอย่างนี้ภาวะอันนี้ก็ทรงทาธาตุขันอยู่อย่างนี้ปรนเปรอกันอยู่อย่างนี้เจริญขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้แล้วก็เสื่อมไปอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยหมดอายุไขก็ตายยังไม่หมดอายุไขแต่ว่าถูกเจ็บหนักของหนัก ครับของคมบาดถึงแก่ชีวิตนี่ก็ตายมันอยู่ในระบ บ, ร ะ, บ, บระเบียบของมันไม่ได้มันก็ตายนี่คือรูปธรรมร่างกายของเราอันนี้เป็นที่มาเหตุปัจจัยส่วนส่วนละเอียดลึกเข้าไปเหตุปัจจัยส่วนห ย, ยาบหยาร่างกายของเราก็คื อ, คอร่างกายของเรานี้ได้มาจากภาต ดินน้ำลมไฟของพ่อกับของแม่ผสมกันในท้องแม่ผสมกันด้วยอํานาจของกรรมไปจับไปจองจิตของเราไปด้วยอํานาจของกรรมไปจับไปจองในท้องแม่เราเจริญมาเรยเจริญมาเรื่อเจริญมาเรือยเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเราก็ออกมาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตามภาวะตามบุญตามกรรมของไข่ของเราพอออกมาแล้วก็ตัดสายรกเห็นไหมสายรกเป็นสายลําเรียงธาตุดินน้ําลมไฟจากแม่ พ่อไปประกอบธาตุพ่อกับธาตุแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เท่านั้นแหละจากนั้นแม่ก็เลี้ยงเรามาตลอดอยู่ในท้องแม่ดินน้ำลมฝอยก็ดูดไปจากแม่แม่กินร้อนเราก็ร้อนด้วยแม่กินเย็นเราก็เย็นด้วยแม่กินเผ็ดเราก็เผ็ดด้วยแม่กินหวานเราก็หวานด้วยแม่ทุกอย่างลำบากเราก็ทุกอย่ากยากลาบากด้วยแต่เราไม่รู้สึกตัวดอกผู้รู้ของเราไม่รู้สึกตัว หากกบดานเงียบอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเหมือนอย่างพระจัสุธโทธนะของเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่ในครันของพระนางสตรีมหามา a y a ทําให้พระนางสตรีมหามายาเหมือนมองเห็นทารกในคันนอนสะดวกสบายอยู่ อันนั้นเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แต่พวกเราเอมันก็นอนตายอยู่ในนั้นอ่ะพ่อแม่ก็ไม่รู้ผู้ชายก็ไม่รู้ผู้หญิงก็ไม่รู้สิ่งที่รู้รก็เออดีใจไว้ได้ลูกผู้ชายก็ช่างมันเถอะผู้หญิงก็ช่างมันเถอะเนี่ยจากนั้นเราก็เจริญพัฒนาเทาววันออกมาออกมาแล้วก็ตัดสายรกตัดสายรกมาแล้วก็พ่อแม่ญาติคนใช้คนเลี้ยง บำรุงด้วยเข้าป้อนน้ำนมโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อ ย, เ, อยเดินรู้เลี้ยงษ า, าภาวะได้ไรได้อตอนนี้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาข้างนอกแล้วออกมานอกข้างนอกห้องและห้องคือท้องของแม่พอออกมาข้างนอกมีตา ก, ก็เริ่มเห็นมีหูก็เริ่มได้ยินมีจมูกก็เริ่มได้กลิ่นมีลิ้นก็เริ่มได้รส มีร่างกายาก็รู้จิตรรู้สึกสัมผัสมันจะเห็นรูปก็ตามได้กลิ่นสัมผัสก็ตามมันก็ไปกระทบที่จิตทั้งหมดอ่ะแหละเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายมันกระทบตั้งแต่ออกมาครั้งครั้งแรกนะนาที่แรกออกมาจากท้องแม่อุแว่ขึ้นมาร้องนะสัมผัสนะร่างกายมันมาสัมผัสมันอยู่ในท้องไม่เคยสัมผัสอะไรสัมผัสในความอุ่นพอดีของแม่พอออกมาข้างนอก สัมผัสร้สัมผัสเย็นสัมผัสหนาวแ้ขึ้นมาแปลกบรรยากาศแปลกทันทีเนี่ยร่างกายร่างกายมันมาสัมผัสนะผู้รู้มันกระทบอะไรกระทบถึงผู้รู้หมดกระทบอะไรกระทบถึงผู้รู้หมดอยู่รู้เลียงสาภาวะโตขึ้นไปเจ็ดขั้วแปดขั้วเก้าขว้รู้เลียงสาภาวะเริ่มรู้สึกรู้จักท่องรู้จักทํารู้จักแต่ไอความรู้จักเครียดรู้จัก โกรธเนี่ยมันมีมาตั้งแต่รู้เริ่มรู้เดียงสาภาวะนะคือกิเลสพระกิเลสกิเลสเพอาะจิตเริ่มกล้าแข็งขึ้นมากิเลสมันก็เริ่มแสดงตัวออกชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสติปัญญาเริ่มแสดงตัวชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนี่เราพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างร่างกายของเรากับจิตของเรามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราภาวนาเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ที่มาของกาย ร่างกายมีที่มาอย่างนี้อที่มาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของสังขารสังขารพ่อกับสังขารแม่ประกอบกันในท้องแม่เจริญมาเรื่อยคาว่าเจริญมาเรื่อยก็คือเขาไม่อยู่คงที่เขาเปลี่ยนมาเรื่อยไม่คงที่ของเขานั่นแหละคือลักษณะของทุกขงังทนอยู่ไม่ได้ในภาวะเดิมเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเห็นไหมมันอยู่คงที่ไม่ได้อยู่คงที่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากเล็กเริ่มมาเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาโตขึ้นมาเรื่อยโตมาเรื่อยออกมาออกมาแล้วก็ไม่คงที่เห็นไหมจากก่อนปวกเปียก็ยืนได้เดินได้นั่งได้พูดได้คุยได้สติปัญญาเริ่มเริ่มกล้าแข็งขึ้นมาเริ่มกล้าแข็งขึ้นมารู้จักเกลียด ร, รู้จักรักรู้จักชังรู้จักโกรธรู้จักเกลียด ร, รู้จักอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวนสารพัด ที่มันมีอยู่ภายในจิตมีเท่าไรเท่าไรมันแสดงออกมาปรากฏทั้งหมดมันพิษสงของกิเลสมันแทรกอยู่ในจิตดวงนั้นแทรกอยู่ในจิตดวงนั้นนี่ ค, ค, ค, คือคือที่มาของร่างกายและที่มาของใจที่มาของใจนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเวลาที่ไปเกิดในท้องแม่ใจของเราเกิดก่อนนั้นตั้งมากมายนานอักโขล้แหละ ไม่รู้กี่กับกี่กานมาภูเรชาติมาเรารู้ไม่ได้พบชาติที่เราเกิดนับย้อนหลังไปเนี่ยนับไม่ทั่วนับไม่ครบมีใครมีพระพุทธเจ้าเป็นประจักษ์พยานนะรงมเัเพนได้ญาณขั้นแรกในวันตรัสรู้เนี่ยบุพเพนิวาสานุสติญาณ ล, ลึกถึงพบชาติของพระองค์เอง ราลึกชาติเราลึกย้อนหลังไปเกิดพบไหนชาติไหนเราลึกไปลึกราลึกไปเห็นหมดเห็นหมดเห็นหมดเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์เล็กเกิดเป็นสัตว์ใหญ่เกิดเป็นคนคนสุขทุกอย่างลําบากเกิดเป็นเทวูเทวดาพระอินทร์พระพุทธเกิดเป็นอะไรเราลึกเห็นหมดว่าพระองค์เคยเกิดแต่ละพบแต่ละชาติมันจะแตกต่างกันไปเกิดเกิดชาตินั้นอยู่อย่างงั้นเนี่ยอยู่ยังงั้นทุกอย่างอะไรงั้นเกิดชาตินั้นพบนั้นอยู่ดีมีสุขอย่างนั i i ้นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นหมดนี่ครูที่เจ้าต่าลึกเห็นหมด จิตของเราไม่ใช่จะมีเฉพาะตอนมาเกิดในท้องแม่เกิดมาตั้งแต่กับการโพเรชาติไหนก็รู้ไม่ได้แต่เราอย่าลืมหลักว่าจิตเราคือธาตุรู้คือผู้รู้เราทุกคนมาเกิดเราเอาของเก่ามาเกิดธาตุรู้นี่เป็นของเก่าประจําโลกอธาตุไม่รู้คือร่างกายของเราเนี่ยก็มีอยู่ประจําโลกเราไม่ได้เอาของใหม่ที่ไหนมาเกิดเราเอาของเก่ามาเกิด พ่อแม่มาผสมกันมาประกอบกันในท้องแม่ก็เอาของเก่ามาผสมของเก่ามาเกิดธาตุรู้มีอยู่ไปจาโลกธาตุไม่รู้ก็มีอยู่ไปจาโลกแต่ธาตุรู้ของเราเป็นธาตุรู้ที่ไม่บริสุทธิ์อมกิเลสเต็มแปร่เข้ามาด้วยกนอบายมายากิริยาอาการของกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลง แล้วก็กอบปล่ยทุกข์เข้ามาความโลภความไม่ความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงหอบหิ้วความสุขเข้ามาความสงบของจิตหอบหิ้วความสุขเข้ามาให้หัวใจความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหอบเหี้ยความสุขเข้ามาให้กับหัวใจความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหอบหิ้ยความทุกข์มาทับถมหัวใจของตัวเองนั่นแหละเพราะไปยึดผิดถือผิดเข้าใจผิดสึ่งความผิดเป็นเหตุให้เกิดโลภเกิด โกรธเกิดหลงขึ้นมานี่คือความเป็นไปของจิตภาวะของจิตมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พอข้ามาแสดงตัวออกเต็มที่พระเยซพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาท่านเห็นว่าคนนี่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเหมือนอยู่ในกรงข่ายออกจากกรงข่ายไม่ได้อด้วยความเป็นมหาบุรุษของพระองค์เกิดพบไหนชาติไหนก็ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า พุทธเจรื้อขนสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยให้พ้นไปจากกรงข่ายกรงขังเนี่ยนะกิเลสนะกรงขังของกิเลสกิเลสมันขังเราเอาไว้ในวัฏสงสารคําว่าวัฏสงสารนะกิเลสกรรมวิบากหรือเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเกิดอีกเกิดแก่และวก็เจ็บตายตายแล้วเกิดอีกเกิดแก่แล้วก็เจ็บตา ย, ตา ย, ตายมันก็มีอยู่แค่นั้นเองท่านจะเรียกว่ากรงขังของวัฏ วัตตะสงสารเนี่ยมันขังเราอยู่แค่นี้แหละเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดแกเจ็บตายเกิดแกเจ็บตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกแก่เจ็บตายตายแล้วไปเกิดอีกกี่กับกีกันนับไม่ครบนับไม่ถ้วนเพราะงั้นพรุทธเจ้าท่านด้วยการสร้างบุญญาบารมีปรารถนาเป็นผู้ยิ่งใหญ่พุทธเจ้ามรื่อคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่ให้พ้นไปจากกรงขังอันนี้เพราะทึงสร้างบารมีปรารถนาสําเร็จพระสมมาสัมพุทธะขอให้มีปัญญายาน สามารถแหวกกรงข่ายของเกลเลนให้ออกไปจากภพชาตินี้ให้ออกจากไปจากวัฏสงสารให้ได้ด้วยบุญญาบา ร, รมีของพระองค์ mm hmm. การปรารถนาเช่นนี้ก็มีมาประจําโลกเช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพิ่งมีแม้แต่ในกลับนี้ในพัทธกัปนี้มีห้าพระองค์เนี่ยที่มาอุบัติแล้วมาตัสรู้แล้วเนี่ยมีพระกัคคุสันโธพระอ่าโกนาคมโนพระกัตสโป พระโคตโมคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระกะกุสันโธปถมตั้งแต่ปถมปถมพระพุทธเจ้าองค์ที่องค์แรกเนี่ยมาตัสรูุ้ในกลับนี้กับนี้ถ้าเรียกว่าพัทรกับพัทรกับพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยพระกะกุสันโธตรัสสรุไปก่อนแล้วตอนนั้นพวกเราเกิดเป็นนกหนูปูปีไก่กาที่ไหนก็ไม่รู้พระโคนาโกนาโกนาคมโนก็มาตัสรูุ้ไปแล้วเป็นองค์ที่สอง ในพัตธกัมนี้บอกเราไปเกิดเป็นนกหนุกปูปลากาไก่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เป็นเทวบุตรเทวดาที่ไหนเป็นมิจฉาทิฐิสมาทิฏฐิที่ไหนเราก็ไม่รู้พระพระกัสโปนี่ก็บรรลุไปแล้วเป็นองค์ที่สามพระโคตโมคือพระโคดมพระพุทธเจ้าของเราทุกวันเนี่ยคือพระสมณโคดมพระโคดมพระพุทธเจ้าได้นาวพระสิทธัตถะ เป็นโอรสของพระเจ้าสุโธธนะเกิดที่เมืองกบิลพัทกรุงกบิลพัทแม่ชื่อสิริมหามายาอยู่กรุงเทวทหะพ่ออยู่กรุงกบิลพัทนี่พระเจ้าสุโธธนะของเราพระสิทธัตถะของเราพระพุทธเจ้าของเราจากนั้นแล้วก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเกิดพบในาชาติไหนก็นทำบุญ เป็นทานสร้างทานทานไปดูบารมีทั้งสิบนะทานบารมีศิลทานนะศิลในคัมภีปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเวญคะไม่สร้างบารมีทั้งหมด่ทานบารมีให้จนเป็นทานนะทานทานบารมีเป็นทานอุปบารมีทานปรมัตตบารมีทานบารมีคือให้ทานพื้นๆนะทานอุปบารมีก็คือให้อวัยวะของตัวเองเป็นทาน ให้ตาเป็นทานให้อวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทานทานปรมัาทบรมีให้ชีวิตเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานเช่นอย่างภพชาติของพระองค์ที่เคยเป็นกระต่ายแต่หัวใจของพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นะหัวใจของพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไปอ บ, บัติในภพชาติที่เป็นกระต่ายไปสะละชีวิตให้กับให้กับฤาษีให้กับดาบด์นะเขาก่อไฟเอาไว้ ก่อไฟเอาไว้ก่อไฟเอาไว้ท่านอดอยากนะแล้วก็กตายเขาเรียกว่าสะสะบัณฑิตในภพชาติที่เป็นสะสะบัณฑิตเนะพื่อสละชีวิตให้เป็นทานโดดเข้ากองไฟนะทำให้ฤาษีตัวนั้นก็ได้บริโภคได้ครบได้ฉันให้ชีวิตเป็นทานโดดเข้ากองไฟเนะไหมนี่คือทานปรมาตถะปรามีเป็นทานอย่างยิ่ง พระทธเท่านทรงทำมาแล้วเพราะฉะนั้นอ่านในสองส่วนนี้เลยบรรดาแม่พระองค์ได้ได้มรุษถึงธรรมเป็นเหตุให้พระองค์มีเมตตาครอบโลกกระทาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นบริษัทบริวารของพระองค์ทําให้พระองค์ได้รื้อได้ขนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ออกไปจากกรงข่ายของกิเลสมากมายมหาศาลผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่เขาสามารถขนออกไปได้ผู้ที่อยู่ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้น ฟังเทศของพระองค์แล้วก็บรรลุธรรมเป็นกฎโกรเทวดาสมัยพระองค์ทรงพระชนอยูนยฟังธรรมและบรรลุธรรมเป็นกฎโกรธนี่เราพูดถึงบรารมีของผู้ที่มารื้อขนพวกเราให้ออกจากครงขังคือพระพุทธเจา้าเพราะท่านเข็ดลาบในพบชาติของพระองค์พบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายก็ได้พบชาติของเราก็เกิดตายเกิดตายเกิดตาย เ, เ, เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าพระองค์จะบรรลุคุณธรรมสูงขนาดนี้ก็ตาม พระองค์ก็ไม่พยากรณ์ว่าจิตของเราเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรพระองค์ไม่พยากรณ์นะจิตของเราทันชี้ไปที่อวิชชาทันชี้ไปที่อวิชชาตราบใดที่มีอวิชชาห่อหุ้มหัวใจอยู่สังขารต้องมีอวิชชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขาครคําว่าสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไป จิตของเราด้วยเหตุที่เราไม่รู้นั่นแหละจิตของเรา ม, ม, มีสิ่งพาให้จิตเศร้าหมองหลงเกาะติดมาด้วยคล้ายๆกับว่าผู้รู้ของเราอุบัติขึ้นมายังไม่ได้ชำระขัดเราเกียรนัยตัวเองให้แพรวพลาวเหมือนเหมือนแก้วมันนีมันแต่เรายังเป็นจิตที่เศร้าหมองอยู่กับกิเลส เศมองเกี่กับกิเลสคือตัณหาราคะอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำดีบ้างทำชั่วบ้างได้รับความสุขบ้างในรับความทุกข์บ้างปนเปนกันอยู่อย่างนี้นในภพในชาติไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นพ ร, ระองคอุบัตขึ้นมาก็คืออุบัตมาเพื่อรู้รู้วิธีแก้ไขวิธีแก้ไขกิเลสนี้ให้ออกไปจากหัวใจเพื่อชำรัะสิ่งที่เป็นมนถินของใจให้หมดให้หมดไปจากหัวใจของพระองค์แล้วก็สอนสาวก มีพระอัญญากณทัญญาเป็นต้นทำอาสวะให้กิเลสส่วนได้ส่วนหนึ่งหมดไปจากพระหมดไปจากหวัวใจได้เป็นประจักพยานเนี่ยในในหมู่ปัญจวัคคีเนี่ยเป็นภาษาวกคนแรกองค์แรกนี่เอาความรู้ที่องค์บรรลุนั่น่ะไปสอนคนอื่นคนอื่นก็สามารถบรรลุตามได้เพราะเป็นช่องทางเป็นวิธีการที่จะไปกำจัดกิเลสตัวมืดหนาอ๋ ตัวยาบคายตัวทําให้จิตใจเราเศร้าหมองอยู่ในหัวใจของเราดําเนินด้วยปฏิปทายอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นทุกข์อย่างนี้อันนี้เป็นโทษอย่างนี้ทําลายความลุ่มหลงได้ทําลายอาวิชชามันลุกวิชชาตามพระองค์ไปได้ีพระยาโกนทันชาท่านไม่ท่านไม่ไมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ว่าจิตของเราเกิดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรท่านบอกว่าเกิดเพราะมีอวิชชา เมื่อมีวิชาแล้วก็มีสังขารมีสังขารแล้วก็มีบุญกับมีบาปติดมาด้วยกับจิตของเรามีธาตุรู้แต่ธาตุรู้ของเราไม่บริสุทธิ์มีบุญมีบาปติดมาด้วยเป็นเหตุให้เราต้องไดมาชําระอือวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ น, นะวิญญาณก็เลยมาเกาะเกี่ยวกับสังขารเนี่ยวิญญาณก็คือธาตุรู้คือผู้รู้เนี่ยแหละ เป็นปัจจัยเกิดนามเกิดรูปเหมือนกับเรามีจิตกับเรามีกายนี่แหละ ท, ที่เรียกว่านามรูปพอเรามีจิตกับเรามีกายแล้วมันมีช่องมีถาวรที่จิตดวงนี้มันจะออกออกไปเที่ยวข้างนอกออกไปสอกหาความสุขมาป้อนให้กับตัวมันเองอะมันออกมาทางตาเห็นไหมไปเห็นรูปออกมาทางหูออกมาทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ออกมาทางใจน้อมนึกอยู่ในใจ คือการทำงานของจิตมันออกไปหากินอยู่ข้างนอกมันออกมาทางทวารตาทวารจักกทวารโสตทวารขานะทวารสิวหาทวารกายยับทวารมโนวทวารมันออกมาทางประตูมันออกไปไปหาสุขมันออกไปหาเศษหาเลยแล้วก็ป้อนความสุขเข้ามาที่จิตของมันบางทีมันก็หลงว่าอันนี้แหละสุขมันก็ดูซับเข้ามาทับถมไวจิตของมัน แทนที่จะเห็นว่าเป็นเป็นยาบำรุงกลับเป็นยาพิษมาทับถมให้เกิดความทุกข์เพิ่มเติมก็มีนี่คือความหลงมันเป็นอยู่ด้วยความรุ่มหลงจิตเป็นอยู่ด้วยความรุ่มหลงเนี่ยมีรูปนามแล้วก็มีสัมผัสมีสัมผัสมีสัมผัสเสร็จแล้วก็มีเวทนาเวทนาก็คือยินดียินร้ายยินดีก็เออสิ่งนี้ดีงามชอบใจยินดีโอ้ยสิ่งนี้ไม่ดีงามไม่ชอบใจ ไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปพอชอบใจมันก็ดึงดูดเข้ามาทั้งชอบใจทั้งไม่ชอบใจก็คือเพลงของกิเลสนั่นแหละมันเสกสรรให้ให้เราเกณฑ์ให้ชอบใจให้เราเสกสรรให้เราเกณฑ์ให้เราไม่ชอบใจไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจไม่น่าพอใจน่ายินดีน่าชอบใจน่าพอใจก็เหมือนอย่างเรานั่งนานๆเนี่ยเวทนามันเกิดขึ้นเราพอใจไหม ถ้าเราเอากิเลสไปใส่เราดูเอากิเลสไปดูเนี่ยกิเลสมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจนั่งแล้วมันปวดปวดแล้มันต้องอดต้องทนนี่ยน ะ, ะมันไม่เหมือนนั่งสบายๆนะพอนั่งนานสักหน่อยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเหมือนอย่างที่เรานั่งภาวนามาเนี่ยก็รู้สึกปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นขึ้นมาเนี่ยดูไปที่ใจของเรามันพอใจไหมถ้าเราไม่มีสติกล้าปัญญาแข็งพอเนี่ยเราไม่พอใจหรอกเราอยากพลิกเราอยากเปลี่ยน เพราะอะไรเพราะทุกขเวทนาในกายนี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องอดต้องทนมันไม่เหมือนสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอดต้องทนเป็นเรื่องที่เออน่ายินดีน่าปลื้มใจเนี่ยเราพิสูจน์แค่นี้เราก็รู้ว่าจิตของเรามันชอบสิ่งสิ่งที่มันชอบใจไม่ชอบสิ่งที่มันไม่ถูกจิตจริตนิสัยของมัน นี่คือจิตเนี่ยมันไปนเกณฑ์มันเกณฑ์ทุกอย่างจะให้เป็นไปตามใจมันหวังใจมันชอบทุกอย่างนี่คือเวทนาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาเป็นปันจจัยเกิดตัณหาเนี่ยเนียฮะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัณหาเท่านั้นนะตัณหาคือความทยานอยากความดิ้นรนของจิตความทยานอยากของจิตดูไปที่จิตเวลาเราปวดเราดูไปที่จิตเราจะรู้นั่นแหละ ตัญหาภาในจิตของเราพยายามดีดมันกําลังดีดดิ่นอยู่ในใจของเราตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราดูไปที่จิตของเรามันดีดดิ่นมันดีดดิ่นอยู่ข้างในเพราะมันเหมือนกับถูกไฟเผาไฟก็คือเวทนาทุกขเวทนานี่แหละมันเผาอยู่เดี๋ยวเนี้ยมันเร่าร้อนอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะปัญหาตัญหาตัญหามันเกิดที่ไหนมันเกิดที่จิตมันเป็นพื้นเพของจิตซึ่งมันเป็นตัว เจ้าการของกิเลสนั่นแหละเป็นตัวหัว um นําวิถีของกิเลสนั่นแหละกดตัวตัณหาเนี่ยตัณหามันเกิดที่จิตตัณหาอยู่กับจิตมันเกิดที่จิตแต่มันก็ดับไปที่จิตมันเกิดได้มันก็ดับได้การปฏิบัติธรรมของเราก็คือการปฏิบัติเพื่อละตัณหาตัวนี้การที่เราจะละตัณหาตัวนี้เราต้องย้อนไปดูมันถ้าเราไม่ดูมันแล้วมันเราไม่เห็นพอเราไม่เห็นแล้วมันมัน แอบทำนู้นแอบทำนี้โดยที่เราไม่รู้ไอความไม่รู้ของเรานั่นแหละคือตัวหลงคือความหลงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญสติจึงให้เจริญปัญญาเพื่อให้หูตาของเรามันสว่างมันทันความซุกสัส้นของเจ้าตันหาที่มันแอบแสดงกลมายานุนิตในหัวใจของเราเนี่ยคือตันหาตันหาเกิดที่ไรเมื่อไรอุปาทานก็เกิดขึ้นอุปาทานเกิดขึ้นทีไรเมื่อไหรพบมันก็เกิดขึ้น เมื่อมีพบแล้วเราจะต้องไปเกิดในภพตายแล้วเราจะต้องไปเกิดในภพเรายังไม่ตายแต่จิตของเรามันเปลี่ยนจากสถานะนี้ไปเกิดไปเป็นสถานะนั้นนี่คือคือจิตมันเปลี่ยนไปเกิดในภ พ, พมีภ พ, พแล้วก็ต้องมีชาติตายแล้วเราเราจะต้องไปเกิดเพราะ ว, ว่าเรายังมีภ พ, พอยู่เพราะฉะนั้นที่เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเพราะเรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานจึงเป็นเหตุเรามีภพเมื่อมี พบแล้วคุณจะได้เป็นพบอะไรเป็นพบมนุษย์เป็นพบเทวดาเป็นพบภูมิมนุษย์เป็นพบภู ม, มิเทวดาเป็นพบภูมิมสัตว์เดรย้ยงฉันก็ไปได้ไปเกิดในพบภูมนนินั้นๆตามบุญตามกร ร, รมที่ตัวเองสร้างเอาไว้ทำเอาไว้การที่เราจะสร้างเราจะทํานั้นเราสร้างเราทําได้อย่างอิสระเสรีเราเกิดร่วมพ่อร่วมแม่เดียวกันนี่แหละการสร้างการทำํำของเราในหัวใจจะไม่เท่ากัน เราเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละการสร้างการทําในหัวใจของเราไม่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบุญกรรมในใจจึงไม่เท่ากันเพราะมีการสร้างมีการทําไม่เท่ากันพบนี้เราอาจจะมาเกิดร่วมเป็นพ่อเป็นร่วมพ่อร่วมแม่เป็นพี่เป็นน้องอันเดียวกันโดยเหตุที่สร้างทํากรรมดีกรรมไม่ดีไม่เท่ากันเปลี่ยนไปอีกแล้วแหละเกิดพบหน้าไอ้คนนึ่งได้ขึ้นสวรรค์ไอ้คนหนึ่งได้ลงนรก คนหนึ่งได้ลงนรกคนหนึ่งได้ขึ้นสวรรค์เหมือนพระพุทธเจ้าททรงตรัสว่าสัตว์บางจําพวกตายแล้วไปนรกสัตว์บางจําพวกตายแล้วไปสวรรค์อสัตว์บางจําพวกตายแล้วไปนิพพานอสัตว์เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงยกนิทานเรื่องหนึ่งมาประกอบว่าอ่า มีนายมณีการนายมณีการก็คือช่างทองมีนายช่างทองคนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งพระราชาเอาแก้วไปให้เจรไนในขณะที่มีคนเอาแก้วไปให้เจรไนานายช่างทองเนี่ยกําลังทําอาหารอยู่พอดีกําลังเฉือนเนื้อเนื้อสดๆนะมียังมีเลือดเปื้อนอยู่เลยเอามือเปืเป้อนๆมาจับแก้วนะ่ะพอจับแก้วใดแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่หนึ่งแล้วก็โมเดหันไป ทำอาหาอีกนี่ในบ้านนั้นเลี้ยงนกรรนนกระเรียนยนกกระเรียนเลี้ยงนกกระเรียนนกเขียนะนกกระเรียนน่ะนกกระเรียนมันเห็นแก้วเปื่อนเลือดแดงๆมันคิดว่าเป็นเนื้อมันพอหันหลังให้มันมันก็ฉบมับอ่ะมันกลืนเข้าไปแล้วกลืนเข้าไปแล้วพอนายนี้กลับมาหันมาดูไม่เห็นบังเอิญกับบ้านนั้นน่ะพระปัิเจต เข้าไปรับทานอาหารในบ้านเข้าไปฉันยังหันในบ้านนั้นไปจําทําอาหารยังไม่เสร็จพระประเจีท่านไปก่อนน่ะท่านคงไปนั่งอพอดีหันมาไม่เห็นแก้วเอ๊ะมันไม่มีใครอยู่นะเห็นนี่มีแต่พระเถหละองค์นี้แหละอยู่ก็เลยไปใส่ร้ายว่าท่านเนี่ยเอาแก้วมณีของพระราชาโอ้ยเรามีโทษแล้วเนี่ยแก้วมณีของพระราชาเสียด้วยนะเขาเอาไปให้กีรนยัย เรามีโทษหนักแล้วเนี่ยยังไงยังไงจะต้องบังคับให้พระองค์นี้รับให้ได้แหละเลยเอาเชือกไปพันอ่าไปกระซิบกับเมียนะไปกระสิบกับเมี ย, นะ เ, มยเอย๊แก้วเราหายเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกถ้าไม่ใช่พระองค์นี้ไม่มีใครเอาแน่แน่เลยใส่ร้า ย, ายเมียก็พยายามขอร้องโอ้ท่านไม่เอาหรอกไม่ใช่ท่านหรอกอมันหายไปไหนเต็ทไม่ใช่ท่านแน่นอนแหละเมียรับปางเมียยังเคารพเรื่อสายในในแต่ผัวเนี่ยด้วยด้วยกลัว ผิดด้วยกลัวโทษจากพระราชาเนี่ยเลยเลยเอาเชือกเมียบอกห้ามเลยนะไม่ยอมฟังอะ่ะเอาเชือกมาพันศีรษะของพระเทรัตแล้วก็มัดรัดรัดรัดเหมือนกับรัดอะไรเนะี่ยรัดอะไรเขาเรียกอะไรนะรัดอะไรนะเอาเชือกมาพันแล้วก็เอาไม้สอดแล้วก็รัดเขาเรียกขันอะไรขันชนะขันฉนะเนี่นนะเอาจนเลือดเลือดทันทะลักออกมาพอเลือดเลือดทันทะลักออกมาไอ้นกกรเรียนมันก็ป่นเปี้ยนอยู่แถวนั้นแหละมันก็ไปโดด กินโดดไปกินเลือดนกกระเรียนไปไปกินเลือดท่านอ่ะมันไปดูดไปเรียไปกินเลือดท่านไอ้ด้วยความโม โ, โหไอ้ในช่างนี่ก็เตะนกกระเรียนเนี่ยดิ้นไปเลยแหละกลิ้งไปเลยนกกระเรียนตายพอนกกระเรียนตายท่านก็บอกว่าเดียวเดียวเดียวเดียวเดียวนกตัวนี้มันตายแล้วยังพระท่านบอกนะนกตัวนี้มันมันตายแล้วยังคือตอนนกกระเรียนไปกินน่ะพระท่านเห็นพระท่านเห็นทีนี้มาให้ท่านรับท่านก็ไม่กล้ารับ ถ้าจะบอกว่านกกรเรียนกลืนท่านไม่กล้ากลัวเขาจะฆ่านกกระเรียนนี่เห็นไหมผู้มีสินน่ะไม่กล้าบอกแม้แต่เห็นว่านกกระเรียนทําผิดไม่กล้าบอกพออตายหรือไม่ตายก็ดูนี่นี่นี่ลงตาท่านเทศน์นะท่านตายไม่ตายก็ดูที่เดี๋ยท่านอยากตายแล้วท่านก็จะตายด้วยก็เลยไปเอานกกรเรียนมาดูนกพอรู้ว่านกกรเรียนตายท่านก็บอกเออนกกรเรียนมันตายแล้วไม่เป็นไรท่านก็บอกได้ว่านกกระเรียนตัวนี้แหละ มันกิวมันกินมันกลืนกินแก้วเข้าไปนกกระเรียนตัวนี้ก็กลืนกินไม่เชื่อก็เอาไปผ่าดูเอาไปผ่าก็เห็นแก้วมันอยู่ในท้องนกกระเรียนนะก็เลยมาขอโทษขอภัยท่านมาขอโทษขอภัยท่านท่านก็บอกว่าไม่มีโทษหรอกมันเป็นโทษของวัตฏะอาตมาไม่มีโทษคุณไม่มีโทษมันเป็นโทษของวัฏตะดุ้ยท่านตอบฉลาดไหมคำว่าโทษของวัตฏะก็คือกิเลตนั่นแหละ กิเลสกรร ม, มวิบากกิเลสกรร ม, มวิบากมันเป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยของบาปของกรรมมันมีอยู่ในวัฏฏะนี่แหละไม่มีไปไหนไม่พ้นไปไหนอ่เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี่แหละไม่จบไม่สิน้นจากนั้นแล้วท่านก็ตั้งสัจจาทิฏฐานเลยว่าท่านจะไม่เข้าไปชายคาบ้านใครเป็นเด็ดขาดการแสวงหาบิณฑบาตรก็จะมายืนแค่ข้างนอกแค่นอกบ้านจะไม่เข้ามาชั้นในบ้านเด็ดขาด ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่เข้าไปในชายขาของใครอีกเด็ดขาดบินตา บ, บาดได้แล้วท่านก็ไปฉันที่ที่อยู่ของท่านบินตา บ, บาดได้เสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ของท่านทีนี้ท่านพูดถึงเบื้องหลังจากตายไปแล้วนะนกกระเรียนตัวนั้นนะ่ะตายแล้วไปเกิดตายไปแล้วไปเกิดในท้องของคนคนนั้นแหละไปเกิดในท้องเมียของนายช่างแก้วนัว่นแหละนกกรเรียนตัวนี้นะตายแล้วไปเกิดเป็นคนพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัส สัตว์บางชพวกตายแล้วเกิดสัตว์บางชยาพวกตายแล้วขึ้นสวรรค์สัตว์บางชพวกตายแล้วลงนรกสัตว์บางชยาพวกตายแล้วไปนิพพานอะเมียของนายช่างแก้วนั่นน่ะตายแล้วไปสวรรค์เพราะเมียไม่ได้เห็นด้วยกับผัวเลยที่ผัวไปทำพระปะเจกไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระพุทธเจ้านะเป็นพระปะเจกเมียไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเมียตายแล้วได้ไปสวรรค์ นกก็เรียนตัวนั้นไปเกิดในท้องเมียแม่เมียคนนั้นแหละนี่ท่านพูดถึงเรื่องหลังจากตายไปแล้วอ่าเมียของนายช่างแก้วตายแล้วไปสวรรค์นายช่างแก้วตายแล้วลงนรกพระปัิเจกบอกนั้นอ่ะตายแล้วไปนิพพานนี่ท่านพูดถึงกติความเป็นไปของกติของสัตว์อเนี่ยอชาดกเรื่องนี้เป็นเรื่องสะท้อนหมายเราทราบถึงภพชาติของคนของสัตว์ชัดเจนมาก ชัดเจนมากอืยังมีกิเลสอยู่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเทวดาอาอาทําบุญไปเกิดเป็นเทวดาทําบาปก็ไปตกนรกเอ่พื้นๆก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือยังถือว่าเป็นบุญอยู่ก็คือกติของนอกกระเรียนนั่นแหะมาเกิดเป็นลูกของนายลูกในท้องของผู้หญิงที่เป็นภรรยาเขานายช่างแก้วนายช่างแก้วตายแล้วไปนรก ภรรยาก็นายช่างแก้ไม่เห็นด้วยกับที่นายช่างแก้วทำตายแล้วไปสวรรค์พระปัิเจรองคนั้นอ่ะตายแล้วปานิพานแน่ท่านพูดถึงความวนเวียนของจิตมีพบมีชาติเราจําเป็นจะต้องไปเกิดในพบในชาติคือมันอย่างพวกเรานี่เรามาเกิดในพบชาติความเป็นมนุษย์ของเราพอเกิดมาแล้วอ่าความโศกก็มีความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายก็มีความโศก โศกภริเทวะทุกขโทมนัสสัพปายาตความโศกเศร้าความคล่ำครวนความร่ำให้ร่ำผันมันเกิดมึดขึ้นมาอย่างไรอันนี้มันมาจากประสบการณ์ที่พุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในคืนวันเพลเดือนหกนั่นแหละพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมามันเข้าหลักปฏิจจสมุป บ, บาทเอ๊ะความเศร้าโศกเสียใจของสัตว์ของมาจากไหนโอ้มาจากเกิดเกิดที่ไหนก็โศกเศร้าคล่ำครวญที่นั่นะ อ๋อเกิดมาอย่างไหนโอมาจากเพรเพราะมีภพเราจึงไปเกิดในภพเพราะมาจากอุปาทานการยึดมั่นถือ hey, ม okay, so so so ั่นการยึดมั่นถือม no ั่นอุปาทานมาอย่างไหมาจากตัณหานะชี้ไปที่จิตจิตไม่บริสุทธิ์จิตสกปรกไปด้วยกิเลสตัณหาตัณหามาอย่างไหนก็มาจากการสัมผัสกระทบคือตัณหาเก่ามันส่งมาแล้วตัณหาใหม่มันก็พร้อมที่จะเกิดตัณหาเก่ามันส่งมาแล้วตัณหาใหม่มันก็พร้อมที่จะเกิด ตัน ห, หาใหม่ก็คืออะไรคือตาเห็นรูปรูปดีเออตันหาใหม่เกิดขึ้นแล้วรูปไม่ดีตันหาใหม่ก็เกิดแล้วเสียงดีตันหาใหม่ก็เกิดแล้วสัมผัสดีสัมผัสเย็นร้อนสัมผัสนิ่มนวลสัมผัสสู้ซานิ่มนวลชวนติดติดอกติดใจนี่ตันหาใหม่มันก็เกิดขึ้นแล้วตันหาเก่ามาส่งมาแล้วแต่ตันหาใหม่ก็ทําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่เป็นทุนมันมีทุนรอนมาแล้ว มันก็สร้างดอกสร้างผลของมันเจริญงอกเงยขึ้นนี่คือตัณหาในหัวใจของเราตัณหามาจากอุปาทานมาจากาการสัมผัสสัมผัสมาจากอายตนะ น, นั่นแหละอายตนะมาจากามาจากนามรูปนามรูปคือรูปธรรมกับ น, นามธรรมกายกับใจของเรามีอายตนะอายตนะก็สัมผัสสัมพันธ์กั น, กนมาจากอะไรมาจากจิตจิต แสวงหาที่เกิดจับจองหาที่เกิดไม่หยุดไม่หย่นเขาไปเกิดจิตยังมีสังขารอยู่ในนั้นยังมีจิตยังเป็นสองอยู่ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวจิตยังไม่เป็นหนึ่งเดียวก็มาจากอะไรก็มาจากความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านจำระเสียดสิ้นหมดไปแล้วท่านประกอบไปด้วยวิชาวิชาแปลว่าความรู้ประกอบด้วยความสว่างไม่ประกอบไปด้วยความลุ่มหลงไม่ประกอบไปด้วยความมืดทึบ เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านชำระเสร็จสิ้นหมดเป็นแล้วพระจิตของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสังขารพระจิตของพระพุทธเจ้าเป็นวิสังขารเพราะฉะนั้นวัตตะสงสารจึงไม่มีในพระจิตของพระองค์เป็นวิวิวัตตะเป็นวิวัตตะนะเป็นวิสังขารเป็นวิวัตตะแล้วก็เป็นพระนิพพานผู้รู้ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวธาตุรู้ของพระองค์เป็นหนึ่งเดียว การตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมของพวกเราก็เป็นการปฏิบัติตามปฏิปทาที่ท่านสอนไว้เพื่อให้เรารักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนุ่นในสิ่งนี้ในกายเราในกายเขาในเรื่องราสารพัด ท, ที่เป็นเหตุให้เราลุ่มหลงเนี่ยพุทธเจ้าท่านชําระหมดแล้วพระองค์เลยแทร่รู้ที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีตันหาเมื่อไม่มีตันหามนไ ม, ม่มันก็ไม่มีอุปาทาน เมื่อไม่มีอุปาทานจึงไม่มีพบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจาเ้าไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่ตายพระพุทธเจ้าจึงไม่เกิดพระจิตของพระองค์เนี่ยไม่ไปเกิดอีกเพราะพระจิตของพระองค์เนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งที่จะมาพาเกาะเกี่ยวข้องให้พระจิตของพระองค์ต้องเปลีป่ยนแปลงเหมือนเมื่อก่อนมีแต่ท่ารู้ที่บริสุทธ ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสไม่ประกอบไปด้วยตัณหาธาตุรู้ที่บริสุทธิของพระองค์ก็ไม่สูญไปไหนนะไม่สูญไปจากโลกธาตุรู้ของพระองค์ไม่สูญไปจากโลกเป็นหนึ่งเดียวเป็นธรรมแท่งเดียวเป็นธรรมแท่งเดียวธาตุไม่รู้ของพระองค์ก็เป็นพระธาตุที่ที่เรียกเราเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็ไม่สูญไปจากโลกเรามีพระบรมสารีริกธาตุกราบเต็มไปหมด ทังพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวกทั้งพระอริยสาวกมีกราบพระอริยะสาวกมีพระท่าให้พวกเรากราบพระพุทธเจ้ามีพระท่าให้เรากราบแต่พระองค์ไม่ได้ไม่ได้มีพบมีชาติพระองค์จึงไม่ต้องไปเกิดพระองค์ไม่ตายก่อนแล้วพระองค์จึงไม่ไปเกิดดินน้ำลมไฟแตกดับสลายไปตามภาวะของเขาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ดับไม่ได้แตกไม่ได้สลายไปไหนแล้วก็ รูปธรรมของพระองค์ก็ไม่สูนไปจากโลกอดินก็ไปเป็นดินน้ําไปเป็นน้ํามลมไปเป็นลมไฟไปเป็นไฟทารู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไม่เสื่อมจากโลกไปไหนยังวนเวียนอยู่กับพวกเรานี่แหละแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ไม่ได้มาพาดพิงสมมุติพวกเราจึงมองไม่เห็นจึงมองไม่เห็นพระธาตุที่บริสุทธิ์ของพระองค์เหมือนอย่างพระองค์ดับขันเข้าสู่มหาปรินิพานพระองค์เข้ารูปไปฌานเข้าอารูปไปฌานไปประทับที่สัญญาเวททีนิโรธ พระทั้งหลายที่ไม่มีที่ประจักษ์สุกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วแต่พระอนุรุทธะบอกว่ายังๆๆงย่งเพราะพระอนุรุทธะท่านมีที่ประจักษสุพระองค์กำลังประทับอยู่ในที่สัญญาเวทยินตนิโรธพระที่มองไม่เห็นก็เหมือนกับว่าเห็นพระพุทธเจ้านิพานแล้วพระอนุรุทธะเป็นผู้มองเห็นย่งยังยๆงพระองค์ยังอยู่ในสัญญาเวทยินโรธ สัญาเวทีนโรนี่เป็นวิหารธรรมที่พระจิตของพระเจ้าฝึกฝนอบรมได้จากนั้นแล้วพระองค์ก็ถอยมาอารูปิชานถอยมารูปิชานและก็ถอยมาพระจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นวารคแรกนะเข้าไปแล้วก็ถอยกลับมาพระจิตที่บริสุทธิ์ผ่านองค์ฌานรูปิชานก็ตามอารูปิชานก็ตามพระอนุรุทธะมองเห็นเฉพาะอยู่ในองค์ฌานนะก็เหมือนอย่างไปประทับในสัญญาเวทีนโรนก็เห็นเฉพาะประทับอยู่ในนั้น แต่ตอนออกตอนเข้าเนี่ยไม่เห็นออกมาแล้วไม่เห็นทีนี้เข้าไปวรรคที่สองเข้ารูปฌานฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากอรูปฌานรูปฌานก็ไม่เข้าอรูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่ก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในสมมุติรูปฌานเป็นสมมติอรูปฌานเป็นสมมุติ เป็นวิหารธรรมที่พระกิตของพระองค์ฝึกฝนฝึกฝนอบรมได้ในเมื่อไม่อยู่พระอนุรุธทธะแท้ๆ ท, ที่ประจักษ์สุก็ไม่สามารถจะมองเห็นไม่สามารถจะมองเห็นถึงแม้ว่าพระอนุอนรุธทธะนี่เป็นพระอรหันต์ก็ตามท่านา้ที่ประจักษสุก็ตามแต่พระกิตที่บริสุทธิ์นี้มองไม่เห็นถ้าไม่พลาดพิงสมมติเราเห็นว่าผู้รู้ที่บริสุทธิ์ดวงนั้นหายไปไหนไหม ไม่หายไปไหนอยู่ในโลกนี่แหละเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนท่านว่าเหมือนเหมือนประทีปเหมือนเปลวประทีปที่สว่างสวัยอยู่แล้วก็ดับลงไอ้ความสว่างสวัยของเปลวประทีปไปอยู่ตรงไหนสมมติอย่างเราจุดเทียนอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว เ, เราไปเป่าพบเปลวประทีปดับมืดอ่แล้วไอ้เปลวประทีปเรารู้ไหมไปอยู่ที่ไหนนี่เนี่ยปราจา์บัณฑิตเขามากักจะเป ร, รียบเทียบให้เราเข้าใจง่ายๆนี่เราพูดถึงในตัวของเราทั้งหมดนะนะ ร่างกายของเรามีรูปธรรมในกายของเรามีจิตดูแลรักษาอยู่เป็นนามธรรมเราตั้งใจฝึกฝนอบรมเพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านจึงให้ภาวนาท่องบนคาว่าบนก็คือนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธท่องก็คือท่องบทสวดทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะไปสวดได้เพราะมันเป็นธรรมเนียมของพิสุจน์เรามันต้องไปสวด เหมือนอย่างเรายะถาสพีนี่เราก็ต้องท่องต้องสวดเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อวัดมันเป็นสิ่งฝึกปลือกิริยามารยาทความประพฤติของเราเราต้องการจะทำกิตให้บริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรานั่งนั่งกลั้นลมหายใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์ดอกมันจะบริสุทธิ์ได้ต่อเมื่อเรามีข้อปฏิบัต แล้วก็มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ต้องเดินตามนั้นปฏิบัติตามนั้นและก็ต้องตั้งความอุตสาห์พยายามขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จไปตามนั้นท้องบนบนเราจะว่าอะไรบนก็คือภาวนาหละพุโทธโธพุทโธเดินก็บนแต่คําว่าบนเนี่ยมันออกเสียงนะอันนี้เราใช้คําว่าภาวนาดีกว่า เดินก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนภาวนาพุทโธอยู่ในใจทําความรู้ให้เด่นชัดอยู่ภายในใจของเราที่เรียกว่าภาวนาภาวนาเราจะนั่งอยู่ในท่าทีเรานั่งภาวนาก็ตามอยู่ในท่าทีที่เราเดินจงกรมก็ตามแล้วมีพุทโธอยู่ข้างในเราจะนั่งก็ตามเราจะนอนก็ตามเรามีพุทโธอยู่ข้างในที่ที่เรียกว่าภาวนาภาวนา คือทำผู้รู้ทำผู้รู้เอาสติเอาสัมผชัญญะกำกับผู้รู้ให้ผู้รู้โร่อยู่กับตัวเองนี่แหละที่ท่านเรียกว่าทําใจให้สงบที่ใจของเรามันไม่สงบเพราะกิเลมันพาเรานึกนึกไปเรื่องรูปบ้างนึกเรื่องเสียงบ้างนึกเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงซึ่งประกอบไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ต, ต่างๆที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยจิตกิเลสภายในจิตของเรามันพาจิตเรานึกเราคิดจิตเลยไม่สงบ นีืท่านให้เลยเลยมีอุบายวิธีให้เราภาวนาใหจิตสงบให้อยู่กับบทธรรมบทเดียวพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นธรรมนะโดยเนื้อหาของพุทโธ ท, ที่แท้จริงก็คือความสงบของจิตโร่อยู่นั่นแหละจิตภาวนาไปแล้วจิตสงบโร่เป็นพุทโธโดยเนื้อหาแต่ที่เราว่าพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นแบบอย่าง เป็นแบบอย่างเป็นคำบริกรรมเป็นวิธีการเป็นแผนการเป็นเป็นหลักการที่เราตั้งใจทำเพื่อให้จิตเราสงบเพราะจิตเราสงบเต็มที่จิตของเราก็เบิกบานเต็มที่พุทโธแปล ว, ว่าตื่นแปล ว, ว่าเบิกบานจิตเราตื่นเต็มที่เราเบิกบานเต็มที่ตาจิตเราสงบเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เผาหนาให้ใจสงบในขณะที่ใจเราสงบนั้นะ กิเลสกามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ไปรบกวนจิตเราสามารถเอาจิตของเราออกจากกามได้เพราะกิเลสมันไม่ไปก่อกวนจิตทําให้จิตของเราออกจากกามได้นี่คือคือเรื่องราวการตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบเมื่อใจสงบแล้วท่านให้เอาใจที่สงบนั่นแหละใจไม่หิวอารมณ์ไม่หิวรูปหิวเสียงหิวดินหิวรสหิวสัมผัสละ เพราจิตมันสงบจิตมันอิ่มที่อาจารย์บอกปีติจิตมันอิ่มปีตินั่นคือความสุขความเช่มชื่นความเบิกบานเหมือนจะหาะจะลอยนี่นี่คือปีติความอิ่มเ อ, อิบความสงบเราลองทําให้ใจเราสงบลองดูมันจะเกิดพลังภายในใจของเรามาหาศาลทีเดียวนี่คือความสงบวิธีการทําก็คือเราปริกรรมอยู่กับอารอมณ์เดียวนี่แหละจนมันลืมนึกลืมคิด เรื่องอื่นหมดอยู่แต่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนมันอิม่มอ่ไม่ต้องว่าพุโทโธมันก็อยู่มันไม่ไปไหนแล้วมันโรออยูนะ่คือจิตมันอิม่มเกิดปีติเกิดปลื้มปีติเกิดความยินดีแต่ต้องทําอย่างยิ่งยวด น, นะทําหยุดทําหยุดทําทิ้งทาําขว้างทําสนใจบ้างไม่สนใจบ้างมันจะเปลี่ยนยากมันจะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นท่านที่ให้จับต่อเนื่องไม่ปล่อยถ้าเราจับต่อเนื่องไม่ปล่อย มันก็เปิดช่องเปิดโอกาสให้กิเลสมันแทรกเข้ามานยากหน่อยมันไม่มีช่องมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้กิเลสนะมันไม่มีช่องมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราหลงลืมทอดทิ้งเมื่อไหร่แลมันเกิดช่องเกิดรูเกิดช่องมันก็แทรกเข้ามาแล้วภาานึกเรื่องรักภานึกเรื่องชังพาานึกเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทสรตยภาแล้วแต่มันจะพาานึกมันเรื่องของกิเลสมันยุ่ยแย่ของจิตยุแย่จิตของเราเนี่ยเมื่อจิตสงบจิตมีพลังครูบาจัน ท่านจึงให้เราพิจรารณาพิจรารณารูปธรรมของเราพิจารณานามธรรมของเราเนี่ยพิจารณาถึงภาวะความไม่เที่ยงความแปลปรวนไปและความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นดูเราดูร่างกายของเราเราบบบังคับบัญชามันได้ไหมไม่ให้มันเจ็บใครบังคับได้ไหมไม่ให้มันได้ป่วยเจ็บใครได้ป่วยไม่ให้มันเป็นโรคนู้นเป็นโรค น, น, น, นี้เราบังคับบัญชาได้ไหมเวลาร่างกายธาตุขันมันบกพร่อง ม, มันหิว เ, เ, เ, เรา บังคับมันไม่ให้หิวได้ไหมบังคับไม่ได้เวลามันอิม่มสมมติใส่ฮะฮะอาหารไปเต็มแป้อิ่มแล้วบังคับให้มันหิวบังคับได้ไหมก็บังคับไม่ได้อีกอเวลามันอิ่มเต็มท้องแล้วฮัมอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่เป็นเดือนเป็นปีอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แค่มันขับย่อยสลายสี่ชั่วโมงท้องแฟบอยู่แล้วหิวอีกแล้วอไปถ่ายหนักไปถ่ายเบาทิ้งอไปถ่ายหนักไปถ่ายเบาทิ้งเอาใส่อันใหม่เข้าไปอีกแล้ว ไม่เห็นมีอะไรคงที่อยู่ในตัวเรามันไม่มีอะไรคงที่ความไม่คงที่ของมันนั่นแหละนี่คือลักษณะของความทุกข์ความที่มันต้องเปลี่ยนเป็นนู่นเปลี่ยนเป็นนี้ไปนี่คือภาวะของอนิจจังอนิจจังกับทุกขังมันก็นรับกิริยาอาการต่อเนื่องกันทั้งอนิจจังทั้งทุกขังเราไปบังคับบรญชายให้เป็นไปตามใจหวังของเราไม่ได้สักอย่างพระพุทธเจ้าตั้งจริงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตา อันนี้เป็นภาวะที่เราดูเรามองเราพิจารณาแล้วเรามองให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางกับรูปธรรมของเรากับนามธรรมของเรากับอารมณ์ภายในใจของเราเพราะสิ่งเนี้ไม่เป็นไปนตามใจหวังของเราทั้งนั้นเราดูให้เห็นข้อเท็จจริงแล้วจะทําให้เราเกิดความเบื่อเกิดความหน่ายเกิดความคลายเกิดความจางจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทาน นี่คือการภาวนานะเราต้องตั้งใจทำเมื่อเราตั้งใจทำแล้วเราจะต้องได้รับผลจากการที่เราตั้งใจทำเราตั้งใจทำห้านาทีมันก็ให้ผลแค่ห้านาทีเราตั้งใจทำสิบนาทีตั้งใจทำหนึ่งชั่วโมงมันก็ให้ผลแค่สิบนาทีแค่หนึ่งชั่วโมงตั้งใจทำตลอดต่อเนื่องมันก็ให้ผลต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราตั้งใจทำมากตั้งใจทาน้อย ก็คือการลงมือทํามากลงมือทําน้อยลงมือทําเหตุมากลงมือทําเหตุน้อยผลก็ให้ไปตามนั้นแหละะผลมันจะเกิดขึ้นโดยประสิทธิ์จากเหตุไม่มีอย่าไปคิดว่าจะสพล่องเดินยืนเดินนั่งนอนนอนหลับนอนแล้วตื่นตื่นและนอนหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนเนี่ยเขาพูดเฉยๆดอกการปฏิบัติธรรมของเราไม่มีดอกที่จะมารับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนต้องมาต่อสู้กันอย่างคร่ําแข่งในหัวใจของเราก็จะได้รับความสงบ ก็จะได้รู้สัจตธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละเรื่องปรากฏในหัวใจของเราต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องอดต้องทนต้องเอาชีวิตเข่าแรกโอกาสที่เราจะเข้าไปรู้ไปเห็นมันจะค่อยค่อยเบิกกว้างเข้าไปเบิกกว้างเข้าไปเบิกกว้างเข้าไปเบิกกว้างเข้าไปเท่าไหร่ก็ทําให้เรามีความหวังมีความภูมิใจรู้สึกเออปีมในหัวใจเต็มตื้นในหัวใจของเราม า, มากเท่านั้นเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติให้ได้อัดได้ทำได้มักได้ผลสมเจตนาที่เราตั้งอกตั้งใจอมาอยู่ในบุญยะสถานอย่างนี้เราต้องท่องเราต้องบ่นเราต้องสวมดมนต์เราต้องภาวนาเมื่อเราทําได้ตามนี้ผลอันนิสง์คือความสุขคือความเจริญจะอะเป็นผลที่เราจะพึงประสบพบเห็นจะได้รับความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน 啊，别忘